จเจริญพรพวกเราเรียกพวกเราเฉยเลย <c oughs> แ บ, บ่งเขาแบบ่งเราเรียบร้อยนะที่เรียกแค่นี้ความจริงหลวงพ่อคุ้นกะไฟฟ้าพวกเราคนไหนไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อมีไหมยกมือมีไหมหลวงพ่อจะได้กะว่าจะเทศขนาดไหนพอดีพอดีมีใครไม่เคยฟังเลยมีไหม มีห้าหคนเองเนานะมีน้อย้องเทศยากหน่อยหลยคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของดีของวิเศษเป็นมรดกที่สำคัญของมนุษยชาติเลยถ้าเราเข้าใจศึกษาแล้ว เ, เข้าใจแล้วน้อม น, นำมาประพฤติปฏิบัติเราจะมีความสุขใครๆก็ต้องการความสุขนะดิ้นรนหาความสุขกันแทบเป็นแทบตาย เหมือนความสุขมาอยู่ต่อหน้าแล้วก็หลุดมือไปทุกทีเหมือนวิ่งไล่จับเงาไปเรื่อยตลอดชีวิตนะตอนเด็กๆ ก, ก็คิดนะว่าโตขึ้นเ่ยนะสือจบแล้วคงจะสบายขึ้นมีอิสระมากขึ้นปรากฏว่าอิสระน้อยลงอีกก็คิดว่าถ้ามีงานดีๆทําเจะมีความสุขยิ่งทำงานนะยิ่งใหญ่ยิ่งโตขึ้นมายิ่งเครียดกว่าเก่าอีก คิดว่ามีครอบครัวจะมีความสุขมีครอบครัวมีลูกมีอะไรแล้วมีเรื่องรุ่งใจเยอะแยะเปลี่ยนจากอิสระชนนะเป็นคนที่มีภาระมากมีพันธะมากยิ่งเลี้ยงลูกยุคนี้นะเหมือนเลี้ยงบอลรับลูกส่งลูกเลี้ยงลูกนะเหมือนนักฟุตบอลนนะวิ่งวิ่งวิ่งตกเย็นเนื้อพาลูกวิ่งไปเรียนพิเศษเลยตอไหรก มีสารพัดจะมีเขาก็ภาระทั้งนั้นเลยมีบ้านที่ว่ากลวยขโมยมางัดกลัวไฟจะไหม้กลัวน้ําจะท่วมเราคิดว่าจะมีอะไรต่ออะไรแล้วเราจะมีความสุขสุดท้ายมีอะไรแล้วก็ไม่เห็นมันจะสุขเท่าไหร่สุขมันเหมือนภาพโรงตาที่หลอกให้เราวิ่งไปเรื่อยคิดว่าทําอย่างโน้นจะมีความสุขทําอย่างนี้จะมีความสุขเราวิ่งตลอดชีวิตเลยวิ่งจนแก่นะ พอทำงานมากๆเข้าไปคิดว่าถ้าเกษียณหรือเออรี่ได้ก็จะมีความสุขเออรี่ออกมาเกษียณออกมาก็ไม่มีความสุขอีกเงินแก่มากๆ ก, ก็ไม่มีความสุขจนตายผู้วิ่งหาความสุขมาตลอดชีวิตเหมือนเหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้ในชีวิตของคนในโลกเป็นแบบนี้น่าสงสารที่สุดเลยมันไม่มีทางออก เราไม่รู้ว่าทางออกของชีวิตยอยู่ที่ไหนนะเราดิ้นรนหาความสุขคล้ายๆเป็นเหยื่อล่อให้เราวิ่งวิ่งชั่วชีวิตเลยแล้วก็ว่างเปล่าไม่ได้ได้ภาพลวงตามามีความสุขประเดี๋ยวประดา ว, วมีความทุกข์มีภาระอะไรต่ออะไ ร, ต, ออะไรตามมาเยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าให้ทางออกกับชีวิตเราถ้าเรายอมรับท่านเปิดใจรับธรรมะขึ้นมาท่านแจกให้ฟรี ประกาศรรมาให้ด้วยความการุณาของท่านท่านเองเคยลำบากแบบพวกเรานี่เองเวียนว่ายตายเกิดทนทุกข์ทรมานมากมายดิ้นรนสแสวงหาทางคนทุกข์ทำยังไงชีวิตจะพ้นจากความทุกข์ได้ทำยังไงชีวิตจะมีความสุขที่สมบูรณ์แบบได้จริงๆไม่ใช่ความสุขแบบวิ่งไล่ตามแล้วไม่เจอหลอกเราให้วิ่งวิ่งวิ่งทั้งชีวิตนั้นเราก็ไม่ได้มาหรอก ศา ส, สนาพุทธนั่นเรียนไปนะเพื่อจะได้เข้าถึงความทุกข์หรือเข้าถึงความสุขอย่างยิ่งความสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอะไรเส ม, มอเหมือนกับพระนิพพานเราอย่าไปวาดภาพนิพพานว่าไกลเกินไปนิพพานจริงๆคือความสิ้นปัญหานิพพานจริงๆคือความสิ้นปัญหาถ้าเมื่อไรใจละหมดความอยากใจก็หมดความดิ้นรน เมื่อไรใจหมดความดิ้นรนใจก็หมดความเล่าร้อนหมดความทุขเมื่อไรใจมีความอยากะใจก็มีความดิ้นรนเมื่อไรมีความดิ้นรนะก็มีความเล่าร้อนมีความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้จักละตัญหาเสียถ้าเราละตัญหาได้ละความอยากได้จิตใจก็จะไม่ดิ้นรนจิตใจก็จะไม่รล่าร้อนเข้าถึงความสงบสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนไม่มีอะไรเหมือนจริงๆ มันเป็นความสุขที่สัมผัสได้ที่อยู่กับความสุขอย่างนั้นได้มันไม่เหมือนความสุขอย่างโรคๆเหมือนเหมือนจะมีแล้วก็ไม่มีมหลอกความสุขที่อมาตะาจริงๆที่แท้จริงคือความสุขที่จิตเมันพ้นความดิ้นรนปรุงแต่งนั่นเองจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งก็เพราะปัญหาเพราะความอยากความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาในแต่ละวันแต่ละวันในพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะว่า ปัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมามีความอยากก็มีความดิ้นรนมีความดิ้นรนก็เร่าร้อนมีความทุกข์ท่านบอกวิธีที่จะละปัญหาด้วยท่านไม่ใช่บอกแค่ว่าความทุกข์เกิดมาจากเพราะมีปัญหานี้ท่านรู้วิธีที่จะละปัญหาวิธีเจริญมรรคนั่นเองอนนี้ท่านประกาศสองพันกว่าปี แต่พวกเราที่เป็นชาวพุทธนะเราไม่ค่อยได้เรียนเราบางคนก็คิดว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องแค่ทําทานถือศีลอะไงเงี้ยทาทานมันก็ดีทําทานก็ดีแต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์หรอถือศีลมันก็ดีแต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์หรอกทําสมาธิก็ดีแต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์หรอกในศาสนาอื่นเขาก็มีการทําทานการรักษาศีลการทําสมาธิมีทุกศาสนานะมีอยู่ทุกๆศาสนา สิ่งที่จะได้มาจากการทําทานรักษาศีลการทําสมาธิคือการไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือมีความสุขอยู่ในปัจจุบันนี้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เราทําทานอิ่มเอิบแป๊บเดียวเราก็โลภพอความโลภเกิดขึ้นมาความอิ่มเอิบเมิกบานจากการทําทานก็หายไปเรารักษาศีลตั้งใจรักษาแป๊บเดียวศีลขาดแล้ว นึกถึงศีลที่ไรแทนที่จะสดชื่นนะกลับเศร้าหมองเมื่อเราไม่มีปัญญารักษาทําสมาธิได้ก็สงบได้ชั่วครั้งชั่วคราวออกจากสมาธิฟุ้งสัง้นบางคนฟุ้งยิ่งกว่าเก่าอีกคนที่ติดสมาธินะติดสมถะหลวงพ่อก็เคยเห็นก่อนตามวัดตามวานี้มีเยอะนั่งสมาธิกันมากเลยไม่รู้ว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรความจริงนั่งสมาธินั้นเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญา แล้วไม่ใช่นัสมาธิเพื่อจะทําสมาธิเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วก็สงบน้อมใจให้นิ่งๆไปออกจากสมาธินะอารมณ์ร้ายว่าเก่าอีกก็ตอนทําสมาธิมันเก็บกดนะข่มกิเลสเอาไว้เรียบๆกิเลสไม่ทํางานขึ้นมาเง่อนกันที่จะทําทานรักษาศีลทําสมาธิก็ดีนะแต่ไม่พ้นทุกข์หรอกแต่จําเป็นมันเป็นพื้นฐานในการที่จะลดละความเห็นแก่ตัวลง ทำทานได้ก็ลดละความเห็นแก่ตัวอย่างเราให้วัตถุทานก็ลดละความเห็นแก่ตัวลงเราให้อภัยทานก็ลดละความเห็นแก่ตัวลงเราให้ธรรมทานให้ความรู้ความเข้าใจกับคนอย่างคนทามาหากินไม่เป็นเราสอนวิธีเม <c oughs> ื่อก่อนมีใครหน้าชื่ออะไรลุงเขาลุงเขาใครอาชีพใช่ไหสอนทอดปลาท่องโกอะไรก็เป็นธรรมทานนะให้ความรู้ความเข้าใจให้คนออย่างเงี้ย อย่างนั้นมันก็ดีก็ลดละความเห็นแก่ตัวไปถือศีลก็ต้องละความเห็นแก่ตัวถือศีลแล้วเห็นแก่ตัวมากก็ถือยากทำสมาธินะถ้ตัดความวุ่นวายกับโลกภายนอกออกไปมาสงบอยู่กับตัวเองค่อยๆมาเรียนรู้ตัวเองก็ดีเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกไม่ควรทำมีโอกาสทำก็ทำ ทำทารักษาศีลทําจิตให้สงบเราต้องฝึกตัวเอง ท, ทุกวันทุกวันแต่ถัดจากนั้นมาต้องเจริญปัญญาให้เป็นถ้าเจริญปัญญาไม่เป็นยังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงก็ชาวพุทธนะคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงขั้นเจริญปัญญาไม่ใช่ให้เชื่อไม่ใช่ศรัทธานะไม่ใช่มีแค่ศรัทธาเชื่อเอาไม่ใช่แค่ทำทานแค่รักษาศีลแค่ทำสมธิ จะต้องเจริญปัญญาเพราะอะไรเพราะบุคคลนะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนันจะทําลายตันหาไปตันหามเกิดจากโง่เพราะฉะนั้นตันหาเนี่ยมาจากไหนมาจากโง่มาจากอาวิชชานั่นเองตราบใดที่ยังมีอวิชชามีความไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในอะไรอวิชชาไม่ใช่ไม่รู้แจ้งว่ากฟผ อ, อยู่ตรงไหนจะเลี้ยวรถยังไงนั่นไม่ใช่อวิชชา เี็ความไม่รู้ธรรมดาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรดนี้ไม่รู้มรรคไม่รู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของดีของวิเศษเราไม่เคยเห็นขันห้าเป็นตัวทุกข์ไม่รู้สมุทัยปัญหาเกิดขึ้นในใจไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นใจเกิดความอยากตลอดเวลาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างเดียวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรส อยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทางใจตัญหามีหกช่องนะหกช่องทางทางตาหูจมูกเลี้นกายใจถ้าเรามันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ไม่เห็นนะมันครอบงําใจของเราใจก็จะดิ้นรนปรุงแต่งใจก็จะทุกข์ขึ้นมานี่มีปัญหาก็มีทุกข์ขึ้นมานี่จะล้างตัญหาได้นะต้องให้เห็นความจริงรู้ทุกข์ให้แจม่มแจ้งรู้ขันให้แจม่มแจ้ง ม, มีปัญญา น, นั่นเองถ้ามีปัญญารู้ทุกข์แจ่มแจ้ง ก็จะละสมุทัยอัตโนมัติถ้าละสมุทัยได้เมื่อไร่ก็แจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นอัตโนมัติเกิดขึ้นในขณะเดียวกันในขณะจิตที่รู้ทุกข์แยมแจ้งขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคดฉะนั้นะตอนที่รู้ทุกข์นั่นแหละเกิดอริยมรรคตอนที่รู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทยัยละความอยากเด็ดขาดตอนที่ละสมุทยัยตอนที่รู้ทุกข์ละสมุทยัทยเกิดอริยมรรค ขาดนั้นแหละแจ้งนิโรธคือแจ้งพนิพันธ์งินทุกสมุทยัยนิโรธมรกเนี่ยเวลาแจ้งนะแจ้งในขณะจิตเดียวไม่ใช่วันวันนี้รู้ทุกพรุ่งนี้ไปล้าสมุทยัยมันลื่นไปแจ้งนิโรธมาเรื่องไปเจริญมรกอย่างงี้นะไม่ใช่เวลาเกิดเกิดในขณะจิตเดียวถึงเรียกมรกสมังคีนะรวมพลังลงมาในจุดเดียวนี่รวมลงที่จิตจุดเดียวนี่ไม่ไปอยู่ที่อื่น เนี่ยเราจะต้องเจริญปัญญาให้มากการที่เรามีสตินะคอยะระลึกรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปของรูปนามนั่นเองมันจะทําลายความเห็นผิดไปลําดับลาดับไปทําลายความโง่ น, นั่นเองหายโง่เมื่อไหร่ตันหาจะไม่เกิดตันหาคือความอยากเนี่ยเกิดเโง่นะตอนนี้ถ้าอย่างฟังถึงจุดนี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆจะรู้มันโยงกันนะตันหาเกิดจากอาวิชชาความไม่รู้อริยสัจ ไมรู้ริยสั์เนี่ยตัวแรกคือไม่รู้ทุกไม่รู้หรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์รูปนามนี้เป็นทุกข์พวกเราที่บอกเป็นชาวพุทธชาวพุทธพวกเราเคยรู้สึกไหมว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มีใครเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมถ้ารู้สึกนะเป็นพระอรหันต์นะตอนนี้พวกเราไม่รู้สึกหรอกเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างใจเรานี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างใช่ไหมเราไม่ได้รู้สึกนะว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเราไม่เคยรู้สึกหรอกเรารู้สึกแต่ว่าร่างกายนี่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ถ้ายัางเห็นว่าร่างกายมีทางเลือกระหว่างสุขกับทุกข์นี่ยังเกิดความดิ้นรนที่จะหาความสุขที่จะหนีความทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตใจนี่สุขบ้างทุกข์บ้างได้ก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหีความทุกข์อีก ความยินรนเกิดขึ้นนะก็คือพบเกิดขึ้นความปรุงแต่งเกิดขึ้นนั่นเองก็จะทุกข์ต่อไปอีกทํายังไงเราจะสามารถเห็นความจริงนะไม่ใช่แกล้งสะกดจิตตัวเองให้คิดว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์นะต้องเห็นความจริงให้ได้ว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกข์ล้วนๆรูปเป็นทุกข์ล้วนๆนามเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยถ้าพูดภาษาให้ถูกรูปนามเป็นทุกข์ล้วนๆต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะเนี่ยต้องเห็นพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะเห็นนะไม่ใช่การสะกดจิตตัวเองให้นึกเอานั่งคิดทุกวันว่าร่างกายนี้คือทุกข์ร่างกายนี้คือทุกข์คิดเอาทุกวันทุกวันเผลอเมื่อไร่นะมันก็ไปรักร่างกายอีกนะไม่จะไปหาทางแนละ้วทำไงมนจะสุขขึ้นมาอีกนันเอพระละหันนะเวลาท่านจะตาย ท่านร่าเริงใจท่านเห็นว่าตัวทุกข์กำลังจะแตกขันท่าเนี่ยกำลังจะแตกทุกข์จะแตกตัวทุกข์จะแตกตัวทุกข์จะตายเสียใจไหมไม่เสียใจของเราเนี่ยตัวดีจะตายนึกออกไหมตัวที่น่ารักกําลังจะตายแล้วจะต้องพลัดพรากจากของที่เรารักด้วยตัวเองก็เป็นของรักด้วยขันท่าเป็นของรักด้วยก็เศร้าใจนะไม่เหมือนกันตรงนี้ คือท่านมีปัญญาจแจ่มแจ้งขันห้ามันทุกนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกขนี่ท่านเห็นอย่างนี้จริงๆพระพุทธเจ้าสอนวิธีรู้ทุกไว้วิธีรู้ทุกเนี่ยชื่อเพราะๆเลยนะคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานมีสองอย่างสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนั้นทําไปเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงนะจิตได้พักผ่อนมีกําลังวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย เมื่อจิตมีกำลังแล้วเอาจิตมาเดินปัญญามาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจงั้นงานมันมีสองงานนะงานทําความสงบจิตให้จิตมีเรี่ยวมีแรงเนี่งานหนึ่งงานอย่างนี้จริงๆพระพุทธเจ้ารับช่วงมาจากศาสนาอื่นหรือศีชีพใครเขาก็ทำสมาธิมาก่อนนนี่ท่านมาต่อยอดท่านมาต่อยอดคืองานวิปัสสนากรรมฐานไม่มีในที่อื่นเลยมีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกการเจริญปัญญานั่นเอง มาเรียนให้รู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจงั้นะงานสองางานนะจะ ต, ต้องดูนี่พวกเราบางคนภาวนากันแทบเป็นแทบตายนั่งสมาธิกันนั่งแล้วก็น้อมใจไปเคลิ้มเคลิมแทบจะลืมตัวอนั้นไม่ได้กระทั่งสมถะนะสมถะไม่ใช่สลบเหมือนสงบไม่ใช่สงบนั่งแล้วก็หเคยเห็นไหมใครเคยนั่งสมาธิแล้ว เคยไหมคำนับแล้วทําะคำนับไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่มใชสมถะเนี่ยทําไปให้จิตสงบนะจิตมีเรี่ยวมีแรงที่จะเจริญปัญญาวิปัสสนาทําไปเพื่อให้เห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจถ้าเห็นความจริงแล้วจะคลายความยึดถือออกพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ไม่ใช่ด้วยสมถะไม่ใช่ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยสมาธินะไม่ใช่ด้วยการทำทานแต่ถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาอยู่ๆไม่เกิดหรอกปัญญาอาศัยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพูดถึงคำว่าสมาธิแล้วฟังแล้วมันน่ากลัวพูดภาษาไทยง่ายๆให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำเป็นไหม ยากนะที่ใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะใจของเราเนี่ยเคยชินที่จะลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลาเราลืมตัวทั้งวันรู้สึกไหมนั่งอยู่เฉยๆก็ใจลอยใจลอยคิดโน่นคิดนี่ไปนะมันลืมกายลืมใจในขณะที่เราใจลอยเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันนี่ยเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้มันเลื่อนลอยลืมตัวไปลืมกายลืมใจใครเข้าใจคําว่าลืมตัวบ้างมีไหม ไม่ใช่บัวลืมตีนนะหถึงลืมตัวหมายลืมตัวเองไปะร่างกายมีอยู่นะเวลาเหม่อเหมอนึกออกไหมเวลาเหม่อเหม่อเคยเห็นคนโทรศัพท์ไหมเดินโทรศัพท์เดินคุยไปเรื่อยๆนะเกิดไหมท่าทางบางทีตลกนะเพราะอะไรเขาลืมตัวนลืมเนื้อลืมตัวเวลาที่ลืมตัวเองเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เพราะมีกายก็ลืมมันมีใจก็ลืมมัน งั้นงานอันแรกที่พวกเราจะต้องฝึกขึ้นมาให้ได้นะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆนะอย่าให้ใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปเส้อที่อื่นจิตที่มันมีพลังนะมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจได้มันมีพลังมันสงบมันมีแรงมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้แล้วเราพยายามฝึกนะอันแรกเลยฝึกรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว วิธีที่จะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะให้มีสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลาจิตเราลืมตัวไปให้รู้ทันจิตลืมตัวไปไหนมากที่สุดจิตลืมตัวไปคิดมากที่สุดเห็นไหมเราหีไปคิดทั้งวันเดี๋ยวก็คิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้เรื่องไม่ควรจะคิดก็คิดไม่หอกไหมเรื่องที่ควรคิดไม่ค่อยคิดะเช่นทํายังไงงานจะดีกว่าเก่าเนี่ยไม่ค่อยคิดนะ แต่ว่าถ้าคิดสะเปสสปะนะคิดเก่งคิดไปเรื่อยๆตื่นนอนมาก็เริ่มคิดไปเรื่อยนะจนจะนอนแล้วก็ไปคิดต่อหลับไปก็คิดอีกอว่าฝันะใจเราหลงไปอยู่ในความคิดตลอดเวลาเลยทําไงเราจะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาที่เคยได้ยินไหมคำ ว, ว่าพุโทโธพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําไงาจิตของเราจะเป็นพุโทโธได้กับเขาบ้างาจิต ท, ที่รู้เนืรู้ตัว เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมามีสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตเวลาที่มันหลงไปจิตจิตเราคิดทั้งวันนะแต่ว่าอยู่ๆเราจะไปรู้ทันจิตที่หลงคิดเนี่ยรู้ยากมันหลงเป็นทีหนึ่งนานมนะานความมันจะรู้ได้ครั้งหนึ่งนี้นานเกินไปเราต้องมีเครื่องช่วยมันนะเครื่องช่วยก็คือการาหาอารมณ์กรรมฐานมนาะสักอย่างหนึ่งคนไหนถนัดพุดโทโธเราพุโทโธไป คนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนถนัดดูท้องพองยุบเราก็ดูท้องพองยุบไปไม่มีกรกรมฐานอะไรนะไม่ force, ไม่มีความแตกต่างเหมือนเหมือนกันหมดอะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะถ้าเราถนัดกรรมฐานอะไรพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุโทโธนะหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบมีความสุขเราก็ดูท้องพองยุบไป ขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนถ้าขยับไปแล้วก็รู้สึกตัวแนละ้วมีความสุขอยู่ก็ทําไปอะไรก็ได้รู้อินรีย์บทสี่ก็ได้นะหาอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเป็นเหยื่อล่อล่ออะไรล่อจิตนะให้จิตมาอยู่ในที่เดียวก่อนงั้นจิตจะสเปสสปะหนีวิคิดอะไรต่ออะไรนะไม่มีวันรู้เนื้อรู้ตัวเลยเราหาอารมณ์มาล่อจิตไหมอย่าให้มันหนีไปนาน พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเงี้ยแต่ไม่ใช่พุโทโธแล้วบังคับจิตไม่ใช่หายใจแล้วบังคับจิตไม่ใช่ดูท้องผองยุบแล้วบังคับจิตเราจะไม่บังคับมันนะเราจะเอาอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยมาล่อจิตคล้ายๆผู้ใหญ่ที่ฉลาดนะเด็กมันสนมากเนะี่ยเอาขนมมาล่อมันเอาไม้เรียวไปไล่ตีมันนะเด็กก็เครียดผู้ใหญ่ก็เครียดหาขนมอร่อยๆให้เด็กคนนี้ชอบกินไอติม เอาไอติมมาล่อมันเด็กก็ไม่ไปนสนที่อื่นนะเด็กก็ไปกินในติมมีความสุขกินอิ่มแล้วก็นอนหลับอยู่ในบ้านไม่ไปเที่ยวสนข้างถนนออกนอ ก, นอกบ้านอะไรไปจิตนี้ก็เหมือนกันจิตเหมือนเด็กเป็นเด็กสนด้วยแล้วหาอารมณ์มาล่อคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขราอยู่กับพุโทโธคนไหนหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจหายใจแล้วรู้ทันจิตพุทโธแล้วรู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วก็รู้ทันจิตรู้อิริยาบถสี่แล้วก็รู้ทันจิต เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองะการที่เราคอยรู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตตะศิขาพวกเราเคยได้ยินไหมศีลสิกขาจิตตะศิขาปัญญาศิกขาพวกเราหลายคนอาภัพนะเก็นั่งสมาธิเคลิมไปเลยไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรบทเรียนที่ทําจิตให้สงบให้จิตตั้งมั่นเขาเรียกว่าจิตตะศิขาเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตจิตไม่ตั้งมั่นหรอกะเพราะฉะนั้นที่ว่าดูจิตดูจิต่ได้อะไรได้สมาธินะ ถัดจากได้สมาธิแล้วจะไปเจริญปัญญาด้วยการรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้การปรุงแต่งของจิตต่อไปก็ได้แต่ก่อนที่จะไปเดินปัญญาได้ต้องมาเรียนเรื่องจิตซะก่อนเพราะบทเรียนที่สองนะชื่อจิตสิกขาเคยได้ยินคําว่าไตรสิกขาไหมใตรสิกขาบทเรียนสามบทของพระพุทธเจ้าบทที่หนึ่งเรื่องการรักษาศีลศีลสิกขาบทที่สองเรื่องจิตสิกขาเรียนเรื่องจิต บทเรียนเรื่องสีนั้นจะทำให้เรามีสีอัตโนมัติบทเรียนเรื่องจิตจะทำให้จิตสงบและจิตตั้งมั่นอัตโนมัติบทเรียนเรื่องปัญญาจะทำให้จิตรู้ความจริงของรูปนามถ้ารู้ความจริงของรูปนามได้เห็นมันเป็นตัวทุกร่วนๆนะหายโง่ก็หมดปัญหาก็พ้นทุกเป็นลำดับลาดับไปงั้นที่แรกเราจะฝึกจิตของเราให้อยู่กันเนื้อกระตัว หาอารมณ์กรรมฐานมาอยู่สักการหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อยากเครียดนะพุโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตดูท้องผ่องยุบแล้วรู้ทันจิตไปนะเช่นพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธพุทโธจิตนีไปคิดอีกรู้ทันรู้เฉยๆการที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตจะกลายเป็นพุโทโธตัวจริงคือตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา รู้ลมหายใจไปก็ได้หายใจไปแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้นะแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ไมนะ่งั้นจิตจะหนีนานถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เลยนะอยู่ๆเลยไปรู้ทันจิตเนี่ยหลงยาวหนะลงยาวต้องช่วยมันหาเครื่องอยู่ให้จิตสักอันหนึ่งก่อนเลือกเอาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละคนไม่เหมือนกันใครถนัดกรรมฐานอะไรใช้กรรมฐานนั้นๆ เนี่ยคือความยากในคําสอนของหลวงพอ่อใช่ไหมคนจะงงว่าหลวงพ่อสอนเรื่องอะไรทัจริงสอนหลักของการปฏิบัตินะส่วนรูปแบบนั้นแต่ละคนหาเ อ, าเองตามความถนัดทางใครทางมันนะครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกคนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันทางใครทางมันนะแต่ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะมีปัญญายิ่งเห็นความจริงของรูปนามว่ามันเป็นทุกข์จริงๆระหว่าง เวลาเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดคนอื่นใช้อารมณ์ที่แตกต่างจากเราก็อย่าไปว่าเขาอารมณ์อย่างอื่นก็เหมาะกับเขาอารมณ์อย่างของเราก็เหมาะอย่างของเราเรียนแบบกันไม่ได้แล้วเราก็เลือกดูอย่างหลวงพ่อนะถนัดหายใจตั้งแต่เด็กหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปหายใจเข้าไปเรื่อยหายใจออกไปเรื่อยอย่างเงี้ยใจก็สงบอยู่ไม่ยากอะไร หรือคนไหนถนัดดูจิตนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้นะมันก็สงบเข้ามาใช้จิตเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ใช้ท้องเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ใช้พุโทโธเป็นเครื่องอยู่ก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไว้นะมันลงมาที่เดียวกันนะค <c oughs> ือมันจะตื่นขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หลงยาวพาใจหลงไปคิดแวบจะรู้สึกขึ้นได้ด <c oughs> ้วยตัวเองอัตโน OM มัติเลยเราจะฝึกเจอทั่งไหลไปเรารู้ไหลไปเรารู้ จิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้แบบบานเนี่ยเราจบบทเรียนที่ชื่อจิตสิกขาแล้วแต่อไปเป็นบทเรียนเรื่องปัญญาสิกขาบทเรียนเรื่องปัญญาสิกขาคือวิธีที่จเจริญปัญญาพระพุทธเจ้ า, าท่านสอนละเอียดนะสอนละเอียดท่านสอนจเจริญปัญญาด้วยวิธีที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาเนี่ยมีเครื่องมือสองอย่างอย่างหนึ่งมีสติอย่างที่สองมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ พูดภาษาไทยไง่ายๆเลยนะรวบเลยก็คือให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจรงิงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละคือจิตที่ทรงสมาธิคือ จ, จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นนะไม่หลงไม่ไหลไปไม่ไปเผลออยู่ในโลกของความชิดไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวขึ้นมา แล้วอะไรเกิดขึ้นนะจิตก็แค่รู้รู้อย่างเป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเราจำประโยคนี้ไว้นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะปัญญามันจะเกิดเวลาที่จิตตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะเวลาสติระลึกรู้ร่างกายเนี่ยมันจะเห็นร่างกายกับจิตเนี่ยมีช่องว่าง ร่างกายกับจิตไม่ใช่เนื้อเดียวกันกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตตรงนี้ใครเห็นล้วบ้างใครที่เรียน จ, จัลปเข้าแล้วเห็นยกมือหน่อยซิยกมือซิส่วนมากข้างหน้านะข้างหลังไม่เห็นเลยหรออ๋อข้างหลังนู้นเลยเห็นกันใหญ่เลยตอนนี้นะเนจะเห็นวนะ่ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกกันคนที่แยกเป็นตรงเนี้ยคนที่จิตมันเริ่มแยกรู้สึกไหมโลกนี้มันห่างออกไปรู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งเบาขึ้นมา จะรู้ด้วยตัวเองเลยนะเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ปีกฉวยเอารูปธรรมนามารรมมาเป็นตัวกูของกูนะรูปมันก็แยกออกไปความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์คือตัวเวทนามันก็แยกออกไปกุศลอกุศลนีน่เป็นตัวสังขารมันก็แยกออกไปจิตเป็นคนรู้คนดูนก็แยกออกมาอยู่ต่างหากขันมันแยกตัวออกจากกันแล้วมันจะเห็นขันแต่ละขันทํางานไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ามันจะไม่รู้สึกว่า ตัวที่หายใจออกหายใจเข้าคือตัวเราจะไม่รู้สึกเลยจะรู้สึกเหมือนตัวอะไรข้างในกลวงะใครเคยเห็นร่างกายข้างในกลวงๆเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตานะเห็นดะ้วยความรู้สึกแย่ๆไปนะตอนนี้คนทําได้เป็นหมื่นละมั้งเลยจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาหรือความสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึง่งสังขารก็อยู่อีกส่วนหนึง่งไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างทําหน้าที่ทาํางานตามหน้าที่ของตัวเอง เนี่ยการที่มันจะเห็นขันแยกออกจากกันได้เนี่ยมันเกิดจากจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้ถ้าจิตเราไม่เป็นผู้รู้ขันจะไม่แยกออกนะงั้นจุดแรกที่หลวงพ่อบอกเนี่ยว่าเราต้องมาฝึกจิตให้มันตื่นขึ้นมาให้มันเป็นผู้รู้ให้มันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้นะจิตที่มันตื่นจิตที่มันรู้เนื้อรู้ตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาทเนี่ยมันจะทรงตัวเด่นขึ้นมาแล้วขันเนี่ยมันจะแยกตัวออกไป งั้นวิธีเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะทบตัวอีกนิดหนึ่งวิธีที่เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาคือรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะฉะนั้นเราหัดฟุดโทโธจิตหลงไปคิดรู้ทันหัดรู้ลมหายใจจิตหลงไปคิดรู้ทันดูท้องฟองยุบจิตหลงไปคิดรู้ทันพอรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยจิตจะดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้พอจิตแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้แล้วร่างกายจะอยู่ส่วนหนึ่ง จิตจะเป็นคนดูร่างกายที่เคลื่อนไหวนะจิตใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตใจเป็นคนดูกุศลอกุศลเสน้คส น, ค, สนความโรคความโปรยความลงเกิดขึ้นจิตใจจะเป็นคนดูมันแยกกันหมดเลยนะแยกกันรู้จักอาจารย์มหาบัวไหมศาสตราเพื่อนท่านเพิ่งจะสิ้นไปไม่นานอาจามหาบัวสอนเฉียบขาดมากเลยบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอก ต้องแยกธาตุแยกขันเป็นทําไงจะแยกธาตุแยกขันเป็นจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้นะธาตุขันถึงจะแยกออกจากกันถ้าจิตหลงอยู่ในโลกของความคิดนะขันนันมารวมกันเป็นก้อนเดียวกันนะั่นก็เป็นเราเป็นเราขึ้นมารู้สึกไหมเวลาเผลอๆมันมีเราขึ้นมาเยถ้ามีสติแล้วก็จิตตั้งมั่นนะขันแยกออกไปจะเห็นร่างกายก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรากุศลอะกุศลก็ไม่ใช่เรา จิตก็เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดไม่ใช่เราอีกไม่มีอะไรเป็นเราเลยการที่เราฝึกจอกระทั้งล้างความเห็นผิดว่าเป็นเราได้นั่นคือการเจริญปัญญาปัญญาขั้นต้นจะเห็นว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้านี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้านี้ผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้คือพระโสดาบันถ้าปัญญาอันยิ่งขึ้นไปอีกเห็นว่าขันห้าเป็นตัว ขันห้านี่หาสาระแก่นสารไม่ได้แนละ้ก็อาศัยสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปรู้ด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปนี่แหละปัญญาจะค่อยแก่รอบขึ้นนะพอปัญญาแก่รอบเต็มเหนียวขึ้นมาเนะี่ยมันจะเห็นในขันนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะขันนี้หาสาระหาแก่นสาระอะไรไม่ได้เลยนะบางคนเห็นขันไม่มีสาระนะเพราะว่าเห็นว่าขันไม่เที่ยงบางท่านเห็นขันไม่มีสาระนะเพราะขันนี้ถูกบีบขัน บางท่านเห็นขันไม่มีสาระนะเพราะบังคับมันไม่ได้เป็นอนัตตาเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งนะก็บรรลุพระลนะหันละปล่อยวางขันได้พระละหันไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอะไรพระละหันคือท่านที่ฝึกจิตของท่านอบรมจิตของท่านมาจนฉลาดแล้วนะจิตของท่านเห็นว่าขันห้ามเป็นของไร้สาระนะท่านไม่ไปหยิบฉวยเอาของไร้สาระขึ้นมาอย่างพวกเราจะรู้สึกมันของดีใช่ไหมเป็นของดีของวิเศษ เนี่พราะเราไม่เห็นเราไม่เห็นจริงๆพระอราหันต์ท่านก็มีขันธ์ห้าเหมือนพวกเราเนี่ยแต่ท่านเห็นความจริงของขันธ์ห้าเห็นความจริงของกายของใจแล้วท่านไม่ยึดถือเห็นมันไร้สาระนะมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นจริงๆนะไม่ใช่คิดเอาต้องเห็นจริงๆยากไปไหมยากไม่เอ่ยถ้าใครบอกยากหลวงอจะเฉลย หลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อไว้ประโยคแรกที่สอนเลยนะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ <c oughs> ถ้าไม้ปฏิบัตินะยากทั้งชาตินะ่ะชาติหน้าก็ยากอีกถ้าลงมือซะแต่วันนี้นะมันก็ง่ายชาติหน้ายิ่งง่ายกว่า น, นี้อีกนะหลุงพ่อเคยรู้จักนะ้ำพระบางองค์ตอนท่านเด็กๆท่านไปดูอะไรนะลอยกระทงนะเขาจุดปลุกข้นมานะท่านตกใจ ตกใจพุ๊บเห็นจิตที่ตกใจตอนนี้ยังไม่ไม่ได้เคยรู้ธรรมะอะไรเลยนะเด็กๆอะจิตไหววับท่านมองเห็นเลยนะนั้นท่านเคยทํามาแล้วอะไรที่ว่ายากยากนั้นเพราะมันไม่เคยทำํำถ้าเราเคยฝึกเคยเรียนแล้วต่อไปไม่ยากยากสัวันนี้ดีกว่านะวันข้าหน้างง่ายนั้นถ้าเรารู้สึกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ายากเกินไปขอไปทําทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิต่อนก็ดีเหมือนกันนะ ดีกว่าไปเป็นผู้ร้ายะแต่จะไปนิพพานไหมไม่ไปหรอกจะไปนิพพานจริงจริงหนีการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่ได้หรอกนะหนีตรงนี้ไม่ได้หรอกงั้นยอมลําบากสัก่อนนะตั้งอกตั้งใจเรียนหลวงพ่อมีซีดีให้ฟังเยอะแยะนะไม่รู้เขาแจกหรือเปล่าถ้าเขาไม่แจกก็ไปดาวน์โหลดฟังเอาไม่เคยเก็บตังนะทําขึ้นมาแจกฟรีทั้งนั้นเลยก็ลองไปฟังดู จะเป็นหลักของการปฏิบัติทั้งนั้นเลยเราจะต้องฝึกจนกระทั่งมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยจิตจะตั้งมั่นและเป็นกลางเกิดจากการที่เราคอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดนะงั้นเราพุโทโธไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตจะตั้งขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็คอยดูกายทํางานดูใจทํางานร่างกายเป็นยังไงคอยรู้สึกจิตใจเป็นยังไงคอยรู้สึกนะ เกิดอะไรขึ้นในกายเกิดอะไรขึ้นในใจคอยรู้สึกเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนก็ชั่วคราวร่างกายนั่งร่างกายนอนก็ชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นในร่างกายก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็ชั่วคราวความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตใจก็ชั่วคราวกุศลเกิดขึ้นในจิตใจก็ชั่วคราวอากุศลเกิดในใจ ก็ชั่วคราวนะจิตเองก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวจิตก็ไปดูเดี๋ยวจิตก็ไปฟังเรือยจิตก็ไปคิดจิตดูมันก็ดวงหนึ่งจิตฟังมันก็ดวงหนึ่งจิตคิดมันก็อีกดวงหนึ่งจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางตวานทั้งหหมุนติ้วติ้ติตอยู่อย่ทั้งวันใครได้ยินคำว่าวัตตะวัตตะวัตตะนะมันหมุนนะหมุนหมนหมุนมนอยู่ภายในนี่หมุนอยู่แล้วก็เวี่ยงเชิบออกไปทางตาหมุนหมุนเวียงเชิบออกไปทางหูะ วัฏตะมันก็หมุนอยู่เนี่ยนะถ้าภาวนาไปก็จะเห็นเห็นแล้วทำลายวัฏตะทำลายด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ของไร้สาระล้ะลวนๆมันทำลายเองนะยากไปไหมต้องถามไฟฟ้าเนี่ยหลวงพ่อเทศธรรมะชั้นสูงนะเพราะเราอยู่บนตึกสูงมากเลย <c oughs> ที่สำคัญคือส่วนใหญ่นะเป็นกระยากระยานชนนะ ดูแลผู้ร้ายไม่มากส่วนมากผู้ดีคุ้นเคยกับการฟังทำการถือศีลอะไรอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วส่วนใหญ่นี่เรามาต่อยอดของเราให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองบ้างคันแรกเลยรู้สึกตัวบ่อยๆใจหลงไปคิดเรารู้ทุกวันทำในรูปแบบพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ ถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วอย่าไปรูตัวอยู่เฉยๆดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานเรื่อยไปถ้ามันไม่ยอมดูช่วยมันคิดเลยอย่างใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ยอมดูกายดูใจต่อนะคิดพิจารณาร่างกายไปเลยผมก็ไม่ใช่เราผลก็ไม่ใช่เราเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่เรานะแต่ตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเป็นอุบายไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยเท่านั้นเองนะแต่พอจิตมันเดินปัญญาเป็นเนี่ยไม่ต้องคิดเลยมันจะเห็นเอง ร่างกายเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราร่างกายนั่งอยู่ก็จะรู้สึกเลยตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราะบางคนแปลงฟันนะแปลงฟันแปลงฟันจิตมันตื่นแว๊บขึ้นมามันเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราแล้วไม่รู้ตัวอะไรเคลื่อนไหวตัวอะไรพยักหน้าตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เราะเค่อยฝึกอย่างนี้นะฝึกไปให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าไปติดในความสุขเฉยๆอยู่ ให้ดูกายเขาทำงานให้ดูใจเขาทำงานดูด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางดูอยู่ห่างๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียเหมือนเรายืนอยู่บนตึกสูงๆนะเห็นเรือวิ่งอยู่ในแม่น้ําเราไม่ตกลงไปในน้ําเราดูอยู่ห่างๆสบายๆนะอยู่บนตึกลมพัดเย็นๆสบายเห็นเรือเห็นอะไรอยู่ในน้ําผ่านมาผ่านไปนะใจสบายเนี่ยใ จ, จมันตั้งมั่นมันแยกตัวออกมา ถ้าดูไปดูไปโวกมากตกลงมาจากตึกลงไปในน้ำอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้คือจิตมันถลําไปรวมเข้ากับอารมณ์ใช้ไม่ได้จิตมันต้องถอนตัวออกมาเป็นคนดูให้ได้โดยการรู้ทันว่าจิตจิตจาได้ยังขั้นแรกรู้สึกตัววิธีฝึกรู้สึกตัวหาอารมณ์กรรมฐานมาอันหนึ่งมาทำไปแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วจิตหลงไปและ้วนะ พอรู้รู้ทุบจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูอันนี้ก็ดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานมันจะรู้สึกเหมือนร่างกายคนอื่นจะรู้สึกจิตใจเหมือนคนอื่นความโกรธเกิดขึ้นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธจะไม่มีเราเลยฝึกไปถ้าทําได้อย่างนี้นะถึงวันหนึ่งก็จะได้ธรรมะธรรมะขั้นต้นพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีพระอราหารันต์ท่านเห็นขันเป็นทุกข์ล้วน ขันเป็นของไม่ดีเป็นของไม่วิเศษเป็นของไม่มีสาระเพราะท่านเห็นแล้วขันทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงขันทั้งหลายล้วนแต่เป็นทุกข์ขันทั้งหลายล้วนแต่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจาท่านเห็นซ้ํา้ำซ้ำในใจท่านสลัดทิ้งในใจท่านไม่เอาคืนขันให้โลกจิตพลากออกจากขันขันอยู่ส่วนขันนะจิตไม่เอาไม่เข้าไปแบกไปหามขันเองหมดภาระพอจิตมันเห็นความจริงเใช่ไหมมันก็หมดความยึดถือในขัน ความอยากจะให้ขันเป็นสุขไม่มีอีกแล้วความอยากให้ขันพ้นทุกข์ไม่มีอีกแล้วเพราะรู้แล้วว่าขันนี้เป็นตัวทุกข์ไม่อยากให้มันพ้นทุกข์หรอกมันรู้ว่าอยากไม่ได้ยังไงขันมันก็ตัวทุกข์จะอยากให้ขันเป็นสุขไปทําไมในเมื่อรู้ความจริงว่าขันเป็นตัวทุกข์ไหมเพราะนั้นความอยากไม่มีนะอยากให้ขันเป็นสุขก็ไม่มีเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปอยากในสิ่งที่เป็นไม่ได้อย่างอายุตั้งสี่สิบแล้วอยากเป็นนางงามจักรวาลเนี่ย กรรู้สึกนะมันเป็นไปไม่ได้ก็หมดอยากไปเองอะ่ะนะต้องไปเกิดเอาใหม่เนาะงั้นนะรักษาศีลให้ดีเลยนะใครอยากเป็นนางงามจักรวาลจะบอกวิธีให้นะรักษาศีลให้ดีแล้วไปเกิดเป็นผู้หญิงนะเกิดเป็นผู้ชายก็ไม่ได้เป็นหญิงครฝึกเอานะฝึกเอาไม่ยากยากธรรมะที่พระเจ้าสอนนะไม่เกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะทำได้ มันยากเพราะเราไม่เคยฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาถินทิกะเนี่ยเข้าวัดแทบทุกวันนะเข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยสนใจฟังพระพุทธเจ้าเทศหรอกคอยเข้าไปดูตรงไหนไม่ดีตรงไหนจะซ่อมตรงไหนจะขาดแคลนไหนนะค่อยดูแลไปเรื่อยตอนเจ็บหนักใกล้ตายนิมนต์ภาษาริบุตรไปเทศให้ฟังภาษาริบุตรสอนเรื่องขันห้าเรื่องรูปเวชนาสัญญาสังขารมิญญาแกร้องไห้เลย แกนิมนต์เลยต่อไปนิมนต์เพราะคุณเจ้าสอนเรื่องนี้กับโยมบ้างนะญาติโยมไม่ค่อยได้ฟังมันจริงไม่ฟังเองอะ่ะ <c oughs> ในพระใจปีดกใครเคยเปิดไหมมีเรื่องขันห้าไหมมีแต่เราไม่เปิดหรอกเราไม่ค่อยเปิดเราเปิดอย่างอื่นนะจริงๆธรรมะก็มีอยู่แต่เราไม่สนใจทั้งใส่ใจซะซะตั้งแต่วันนี้ก่อนจะสายเกินไปไหวไหมสู้นะ พระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างพวกเรามีกิเลสเหมือนพวกเราแหละแต่ท่านไม่นอนจมกิเลสตายท่านสู้พัฒนะนาจิตใจของท่านขึ้นมายากลําบากมากกว่าท่านจะได้ธรรมมาขึ้นมาในีพอท่านได้ธรรมมาแล้วท่านอุตสาบบอกต่อนะพวกเราเดินง่ายกว่าท่านเยอะเลยเดินตามรอยของท่านพยายามฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูขันมันทํางาน อย่าเข้าไปแทรกแซงมันเช่นความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาทางละมันความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นเลยความโกรธเป็นแค่สภาวะอันึงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะมันจะโกรธมันก็โกรธของมันเองห้ามมันไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาดูลงเป็นไตรลักษณ์ให้หมดเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูลงเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยเลยทีแรกก็จงใจช่วยไม่คิดช่วยมันพิจารณาก็ได้แต่ต่อไปไม่ต้องช่วยมันจะเห็นเอง ตรงที่มันเห็นเองนะเห็นขันห้าเปลี่ยนใจรับเองตรงนั้นนะ่ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆแล้วถ้าขึ้นวิปัสสนาแท้ๆได้ก็นับถอยหลังได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างนะแต่ถ้าขึ้นวิปัสสนาไม่ได้อย่ามา น, นับเลยว่าภาวนา ม, มาแล้วปีๆห้าสิบปีก็อยู่อย่างนั้นแหลนะก็ได้แค่นั้นแหละเอาวันนี้เท่านี้ก็พอนะสักสี่สิบนาทียากไปไหมไม่น่าจะยากนะ สำหรับคนที่อินทรีย์แก่กล้าบารมีเยอะ <c oughs> ใครยังรู้สึกยากบารมีน้อยก็ทําออกสีเนาะวันหนึ่งมันก็เยอะขึ้นมาเองหละนมัรการพระอาจารย์หลวงพ่อนามธรการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับผมเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาเห็นหลวงพ่อครั้งแรกแอยากจะเรียนคือผมนี่ยังไม่ได้ชาญ นั่งสมาธิก็เผยเผย เ, เคลเคลิมอย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับอ่าตอนนี้ก็อยากจะเรียนถามว่าสมควรจะปฏิบัติแบบดูกายหรือดูจิตดีเอ อ, อดูกายไปก็ได้นะดูกายก็ได้เวลาโยมทําสมาธิอ่ะเราอย่าไปบัคคับจิตมันเราอย่าไปปล่อยให้มันเคลิมลองเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐ า, านนิดนึงนะลองไปจับแสงสว่างโยมลองหลับตาสิ รู้สึกไหมขึ้นด้านหน้าเรามีแสงสว่างมันสว่างขึ้นมาแล้วก็รู้สึกอยู่ในความสว่างรู้สึกตัวไปมันจะไม่หลับหรอกนะใจก็ยังมีสมาธินะสงบสบายพอออกจากความสงบความสบายแล้วดูร่างกายไปเลยในร่างกายที่ยืนถือไม้อยู่นี่มันือยืนอยู่ท่าเนี้รู้สึกลงไปในมันนะสึกเห็นมันเหมือนเป็นท่อนไม้เป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอนะไรเงี้ยรู้สึกมันเข้าไปอย่างนั้นเลยดูกายล่อย แล้วขอการบ้านหลวงพ่อหน่นีไ่ไงให้เรานะ <c oughs> ทําใจให้สงบมิตรที่ทำใจให้สงบที่โยมบอกว่าทําแล้วมันหลับเก่งอะ่ะลองลองแทนที่เราจะไปนั่งแล้วก็น้อมใจให้สงบนะเราจะไปน้อมใจแล้วนั่งสบายๆมันจะรู้สึกสว่างสบายอยู่ความสว่างเนี้ยเวลาที่เราอยู่กับความสว่างเนี้ยมันจะไม่หลับนะเนี่ยพระเจ้าท่านเรียกอะไรโอภาส อยู่กับโอภาสเป็นวิธีแก้ง่วงที่ท่านสอนพระมคคลาหนึ่งในแปดวิธีนะอยู่กับแสงสว่างอะโลกะอะโลกะกสินใช้โอภาสอโลก ะ, อ, ลก ะ, อ, ลกะอยู่ในความสวา่างพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงดีแล้วออกจากสมาธิดูลงในร่างกายเลยเห็นร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยดูอย่างนี้เรื่อยๆถึงเวลาก็กลับมาอยู่กับแสงสว่างใหม่ครับขอบพระคุณครับสาธุ การนมสัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเวลาโยมนั่งสมาธิแล้วจิตภาวนาอยู่ที่พุทโธนะคะก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ข้างหูนะคะเสียงเราหรือเสียงคนอื่นเสียงใครเสียงเราหรือเสียงคนอื่นเสียงแบบพาสสวดมนต์น ะ, ะดีนิมิตแล้วพอเวลาจิตเผลอไม่จิตไม่อยู่กับสมาธิก็วันนี้ไม่ได้ยินเสียงก็กลับมาพุทโธ ก็จะได้ยินเสียงอันนี้เป็นเสียงที่คิดไปเองหรือเสียงเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตแล้วเจ้าค่ะอนิมิตเนี่ยบางทีก็มีจริงบางทีก็ไม่จริงอย่างเทวดาเขาก็ขยานสวดมนต์นะสวดมนต์เก่งแบบพวกเราเยอะเลยแต่ว่าถ้าใจเราไม่สงบเราก็ไม่ได้ยินหรือบางทีจิตปลุงขึ้นเองก็ได้นะบางคนก็แววเสียงสวดมนต์ทั้งวันเลยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นยังไม่ใช่ตัวสําคัญ นะตอนนิมิตใดๆเกิดขึ้นจะเป็นรูปก็ดีเป็นเสียงก็ดีเป็นกลิ่นก็ดีนิมิตเป็นกลิ่นก็มีนะที่หอมน้ำอบหอมอะไรเงี้ขึ้นมาก็มีแล้วเป็นศพอะไรขึ้นมาก็มีนั่เป็นนิมิตกลิ่นนั้นนิมิตมีเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสก็มีนะเป็นสัมผัสทางร่างกายก็มีนั่งๆเหมือนคนมานวดอะไรอย่เงี้ยก็มีนิมิตมีเยอะแยะสารพัดนิมิตแต่ว่าแม้ว่านิมิตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สาระแก่นสาร ตัวที่เป็นสาระแกนสารจริงๆก็คือจิตของเรานั่นเองเห็นนิมิตเกิดขึ้นเราปลื้มใจเราได้ยินเสียงส่วนมนเราปลื้มใจเรารู้ว่าปลื้มนะได้ยินเสียงส่วนมนแล้วชักจะซึมซึมรู้ว่าซึมนะเพราะฉนั้นได้ยินเสียงส่วนมนแล้วใจเราเป็นยังไง ร, รู้ทันเข้ามาที่ใจถ้าเรารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆนิมิตจะดับหมดเลยนะแล้วถ้าดับไปแล้วจิตเราตั้งมั่นมีกําลังนะนะเราย้อนออกไปอีกถ้ายังได้ยินอยู่นะแสดงว่าเป็นของจริง นะถ้าหายไปเลยแสดงว่าจิตปรุมขึ้นเองแต่นี้มไม่ใช่สำคัญสำคัญที่จิตเราเองกานวัสการเจ้าค่ะกาบนวัฒ ก, การท่านอาจารย์ของไดยากกับัวเข่าไม่ดีครับน่าดีและนั่งนั่งไดเป็นไรผมเคยไปเข้าคอร์สกับท่านพอาจารย์อยู่ช่วงเดือนปีห้าสองครับแล้วก็เรียนถามท่านอาจารย์ว่าให้ผมจเจริญสมาธิเพราะว่าจิตตั้งมั่นได้ดี ผมก็ปฏิบตัติก็ในเวลาที่ยังไม่ได้เข้าสมาธิอะไรเนี่ยก็รู้กายรู้ใจไปครับก็รู้ว่าบางทีพลิกตัวอย่างที่บอกนะก็รู้ว่าพลิกรู้ว่ามันจะมันจะโกรธขับรถไปเนี่ยมันจะโกรธนะแต่ผมก็รู้ว่ามันมันจะโกรธนะครับแต่ก็ปฏิบัติได้บางครัง้งบางคราวอะไรอย่างี้มันไม่ได้เป็นตลอดระยะนะครับก็มาเจริญสมาธิโดยการนั่งสมาธิพอนั่งไปมันก็น สงบพอบริการพุดโธไปก็าสบนิ่งแล้วก็รู้ว่าเราก็รู้ว่านิ่งพอรู้ว่านิ่งเสร็จแล้วเราก็ออกมาเอนำล่องอย่างที่บอกนะครับคือเรายังไม่เกิดปัญญายังไม่รู้ว่าปัญญาจะเป็นอย่างไรก็เลยมานั่งดูกายดูรูปดูนามไปนะครับแล้วก็พอเหนื่อยก็กลับมาเข้าสมาธิใหม่นะครับตามตามที่ท่านอาจารย์เคยบอกนะครับเสร็จแล้วก็นิ่งอีก มันนิ่งยาบางทียาเป็นผมนั่งได้ถึงสองถึงสามชั mm ่วโมงเบากายเบาใจเบา mm hmm. ครับแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยพวกโทสะโมหะอะไรมันก็ลดลง mm hmm. การใช้ชีวิตประจำวันก็ดีขึ้น mm hmm. อะไรนี้ครับก็อยากจะรู้ว่าผมจะปฏิบัติไปยังไงอีกครับทำอย่างนี้แหละนะทำอย่างที่ทาอยู่นี้แหละแต่เราค่อยๆสังเกตไปร่างกายเป็นของถูกรู้ ร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นโคนละอันก่นยมเห็นไหมอันนี้ครับนะถ้าแยกขันได้ไม่ต้องกลัวแล้วละ่ะแต่เรารู้เพียงแต่ว่ารู้ในของหลักธรรมว่ารูปกับนามมันแยกแต่จริงๆแล้วตามความเป็นจริงผมว่ามันยังผมตัวผมเองยังไม่ไม่เห็นครับอ๋อยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนิยมเพิ่มตรงนี้เวลาจิตไปคิดเนี่อรู้ทันไวๆครับนะพอจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิด ร, รู้จิตจะตั้งมัน่น สมาธิมันมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิสงบเนี่ยไว้พักผ่อนอย่างเขาโยมเนี่ยชำนาญในสมาธิสงบแล้วต่อไปเราฝึกสมาธิตั้งมั่นนะสมาธิตั้งมั่นก็คือฝึกให้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้เพราะงั้นเวลาผู้รู้เนี่ยผู้รู้กับผู้คิดเนี่ยกลับข้างกันเมื่อไหร่เป็นผู้รู้เมื่อนั้นไม่ไมไเป็นผู้คิดเมื่อไหร่เป็นผู้คิดเมื่อนั้นไม่เป็นผู้รู้นั้นโยมคอยฝึกนะจิตนี้ไปคิดเคยรู้จิตนี้ไปคิดรู้ต่อไปมันจะเห็นนะ ว่าทุกอย่างทุกอย่างนั้นเป็นของถูกรู้ไปหมดเลยครับตอนนี้จิตผมมันผมรู้ว่ามันส่งออกนอกผมก็รู้ไม่ไม่ออกไปไหนเลยฮะตอนนี้มันนิ่งอยู่มันอยู่สงบแล้วก็ดูว่ามันดูจิตดูที่ว่าเขาจะไปยังไงมายังไงผมก็นั่งดูอยู่ครับของโยมมันไปติดอยู่เดิมไปติดตัวจิตนั่นแหละครับมันมีตัวหนึ่งนิ่งนึกออกไหมครับตัวอื่นเคลื่อนไหวหมดเลยมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวต้องใจถึงถึนะกล้าปล่อย ครับผมก็วางอุเบกขาอยู่เหมือนกันครับว่ามันจะเป็นคือเรต้องไม่ไปตรึงความรู้สึกเอาไว้กับตัวรู้ครับปล่อยให้ตัวรู้เนี่ทํางานตามธรรมชาติเดี๋ยวมันจะเกิดแล้วก็ดับอย่างตอนนี้ตัวรู้กลายเป็นตัวคิดอะไรเงี้ยอันนี้ตัวคิดกลายเป็นตัวรู้นะครับดูอย่างนี้ด้วยคือคลายอย่าไปประคองให้มันเหลือตัวเดียวนิ่งๆอยู่ครับลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าฌานอะไรหรือเปล่าครับไม่ไม่ใช่ฌานอะไรหรอกมันไปติดเป็นติดสมาธิครับปล่อยไว้หมด มันเห็นตัวอื่นเคลื่อนไหวนะเมือจิตนิ่งอยู่ตัวเดียวคิดว่าในอนาคตนี้ผมจะพัฒนาขึ้นใหม่ครับเอารู้หลักนะรู้หลักแล้วมันพัฒนาได้ครับขอบคุณครับอย่าไปจับเอาตัวรู้ครับไม่ตลอดเวลาคใจถึงถึงปล่อยบ้างครับถ้าเราจับตัวรู้ตลอดเวลาเราเดินไปข้างหน้าไม่ได้มันเหมือนเราจะข้ามสะพานนะแล้วเราจับราวสะพานไว้ไม่กล้าปล่อยราวสะพานเลยกลัวตกสะพานเงี้ยเราข้ามสะพานไม่ได้ครับต้องกล้าปล่อย สมาทิเนี่ยเราเอาไว้เวลาเดินเดินไปกำลังจะเซตตกน้ำาก็้วก็กว้าราวสะพานไว้ทีหนึ่งครับนะครับขอบคุณครับถ้าจับราวสะพานตลอดมันเดินไม่ได้สามนมัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อจิตไม่ตั้งมั่นค่ะแล้วก็เพ่งเพงกดกดไว้พยายามปั่นกันบ้านค่ะปกติขยันน้อยไปหน่อยอะค่ะรู้ตัวแล้วเนี่ยก็ดีแล้วล่ะก็จะ <c oughs> <c oughs> ขอให้หลวงพ่อโปรดเมตตาแนะนําอะค่ะตั้งใจแล้วเราทําให้มันเด่นเดี่ยวนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของนักสู้นะไม่ใช่นักอ้อนวอนร้องขออะไรต้องสู้เอานะท่านเป็นตัวอย่างของนักต่อสู้นะเราลูกหลานพระพุทธเจ้าจสู้เอาตั้งใจไว้ทุกวันจะต้องภาวนานะทําให้ได้หลวงพ่อพูดเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าละ เดินจงกรมท่านตั้งใจเดินจงกรมทุกวันเลยท่านเดินไปเรื่อยแนละต่อมาท่านไม่สบายเดินไม่ได้อะขาเจ็บเท้าแตกหมดเลยเดินเรื่อยๆท่านคลานยังคลานนะคลานคลานในหัวเข่าแตกมือแตกคลานไม่ได้นะท่านนอนอยู่นอนเนี่ยพลิกไปพลิกมานะนอนพลิกไปพลิกม า, นะนนกกมาจนไม่มีแรงอยพลิกนะท่านก็ขยับเหลืออยู่แค่นี้ขยับไหมไม่ท้อถอยเลยในการปฏิบัติจนจะตายเลยนะขยับสู้ตาย ต้องใจสู้นะเราถึงจะได้ของดีนมรดกครับหลวงพ่อสงกันบ้านครั้งแรกครับฝึกมาสองปีกว่าแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับแต่ว่ามันรู้สึกมีความสุขเรื่อยๆครับแต่เห็นว่ากายมันทุกข์ครับค่อยดูไปนะ้าใจยินดีพอใจในความสุขที่เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันตัวนี้นะมีความสุขแล้วเราก็พอใจนะนจะเพลินในความสุขไปมันชอบยิ้มเยอะด้วยครับยอะใคร พ อ, พอรู้สึกตัวปุ๊บมันจะยิ้มมุมปากทุกครั้งเลยครับออ <c oughs> ย, ยิ้มยิ้มย่อตัวเองหรือหรือยิ้มเย่อคนอื่นยิ้มย่ะตัวเองครับเอ อ, นะอย่างงั้นไม่เป็นไรครับ <c oughs> หลวงพ่อครับอีกอย่างนึงครับมีคนแนะนําว่าเอจําเป็นไหมครับว่าต้องนั่งให้ยางตายออกครับแล้วแต่ว่าเราใช้กรรมฐานอะไรครับบางคนเนี่ยจิต ด, ดื้อมากต้องเล่นให้หนักไว้เป็นทุก ข, ขาปฏิปทาครับบางคนจิตไม่ได้ดื้อนะจิตใจประนีตอ่อนโยนไม่จําเป็น ต้องดูของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะของผมต้องอย่างน <c oughs> ั้นไหมครับพยายามฝึกให้ใจรู้สึกตัวให้เยอะๆรู้สึกตัวไปสบายๆไม่ประครับประคองไว้นะจิตมัวขึ้นมาก็รู้ทันมันมัวมันมีโมหะแทรกรู้ทันไปบริกรรมไปอะไรไปให้ใจสว่างสบายรู้เนื้อรู้ตัวไปพอสบายแล้วยินดีในความสบายรู้ทันที่อีกนะในสุดใจก็จะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มัว มัวไหมมัวครับหนูพ่อก็ว่างนั่นนะเดาเอาหนะ้าการปฏิบัติของผมตอนนี้มาถึงสมองคิดสติรู้ปัญญาตัดครับโอดีถ้าทำได้ก็หมดกิเลสสมองคิดสติรู้ปัญญาตัดนะอย่าไปกดจิตเอาไว้ก็แล้วกันนะ จิตใจของนักภาวนาจริงๆเนะี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยถ้าประเภทเหมือนนักรบใส่เสื้อเกราะถือดาบอะไรอย่างเงี้ย น, นะเข้มแข็งเกินไปเลยมันเกินจริงนะใจที่ชนะกิเลสได้มันเป็นใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะอาเชิญน้ำมัสมั่หลวงพ่อเกือบสองปีแล้วครับที่รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริงแล้วก็ดูแบบสบายๆนะครับไม่แทกแทงมาถึงวันนี้เริ่มเห็นแล้วครับว่าขันคือกายและใจนี้ทุกเป็นตัวทุ ก, ทกแท้ๆครับออตอนที่เห็นว่าใจเป็นตัวทุกก็คือตอนที่เห็นว่าใจเนะี่ยอยากมีอยากได้แล้วพอเห็นว่าได้มาแล้วความทุกข์ดับไปนะครับในส่วนกายที่เห็นว่า กายทุกร้นล้วนก็เพราะว่าเวลาผมเข้าฌานสมาธินะครับ hmm. เกิดปิติแล้วผมเข้าใจว่ากายผมคงรำงับหลบครับแต่ใจก็เห็นว่ากายนี่มีความสุขนะครับกายสุขแต่ใจใจยังเป็นผู้มองอยู่ครับ hmm. ยังมองอยู่เฉยเฉยในในในชีวิตประจำวันนะนะครับนอกจากเาจเริญสติแล้วก็ผมจะ ัดดูคือในลักษณะว่าผมจะแยกตัวรู้เป็นสี่ตัวนะครับคือรู้ก่อนรู้เท่าทันรู้ตามแล้วก็รู้ทีหลังครับในส่วนที่รู้ก่อนผมจะรู้ที่ภาษาเพราะว่าการที่เรารู้ภาษาได้เราเราก็จะได้สำรวมนะครับแล้วก็ในส่วนที่ ผมรู้เท่าทันก็จะมารู้เท่าทันที่เวทนานแล้วก็ตัณหาหอืถ้าหากผมรู้ทันความทุกข์ผมก็จะไม่เกิดและถ้าจะเกิดก็จะเบาบางหรือก็สั้นสั้นสั้นขึ้นนะครับอในส่วนที่รู้ทีหลังเนี่ยอก็จะทําให้ความทุกข์นั้นนะ่ะสั้นลงไปนะครับคื อ, อคือแทนที่จะยาวนานเป็นสองวันสามวันเนี่ย อ, อ, อาจจะสัก สี่ห้าชั่วโมงก็ก็คลายลงนะครับก็ก็ส่งผลปฏิบัติเท่านี้ก่อนดีก็ฝึกต่อนะต่อไปปัญญามันแก่รอบเพิ่มไปอีกมันจะเห็นในตัวจิตเนี่ยจะมีตัณหาหรือจะไม่มีตัณหานะมันก็เป็นทุกข์ตอนนี้อะไรที่ที่โยมทําอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เห็นจิตเป็นตัวทุกข์หรอกแต่มันเห็นว่าถ้าจิตมีตัณหามีความอยากมีความยึดนะจิตถึงจะทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นะจะเห็นอย่างนี้ มันเป็นทุกข์เพราะอยากี่ยไม่ได้เป็นทุกข์ในตัวของมันเองนะนี่อีกสเต็ปหนึ่งนะแต่ว่าทําอย่างนี้ก่อนถูกต้องแล้วล่ะแล้วก็ใครดูรู้ทันเวลาใจอย่าให้มันกระจายกว้างออกนอกไปนะให้รู้ตัวไปสบายๆอย่าให้มันไหลกว้างๆออกไปอ่ะเชิญค่ะนราศการหลวงพ่อค่ะ ช่วงนี้จิตโมหะเยอะค่ะอเ อ, อ่อเมื่อก่อนตอนเริ่มปฏิบาาัติอค่ะจะใช้จิตที่หลงไปคิดเป็นกรรมฐานนะคะหลังๆรู้สึกว่ามันมาอยู่ที่การรู้กายกับอิเลียวด ย, ย่อย ไ, ไ ม, ไม่ไม่ทราบเพราะว่าสมาธิมันตกลงไปหรือเปล่าหรืออย่างอ<ช>ื่เราคูาฟุ้งซ่านนะดูกายไว้ก่อนมันเป็นของหยาบมันดูง่ายค่ะแล้วเราเอากายนี่แหละเป็นเครื่องอยู่ของจิต ถ้าดู ก, กายได้ชำนี้ชํานานนะจะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวนะ่จิตมันสั่งให้เคลื่อนไหวนะแล้วร่างกายที่เคลื่อนไหวนะั่นจิตเป็นคนรู้คนดูค่อยฝึกขึ้นมาต่อไปลว่จะเห็นจิตชัดขึ้นถ้าเห็นกายชัดก็เห็นจิตชัดนะ่ะนะแล้วก็เอ่อเรียนถามหลวงพ่อคื อ, คอเคยมี ห, หนึ่งนั่งสมาธิแล้วมันสงบไปพอสักพักจิตมันก็เริ่มทํางานเริ่มคิดนะคะอพอคิดครั้งที่สองที่สามเนี่ยมันเหมือน มีอะไรผุดขึ้นมาแล้วมันก็มีช่องว่างเสร็จแล้วมันเหมือนมันไปแปลอืที่คิดทั่วสักกู้แล้วก็มีช่องว่างี่ดอย่างนี้คือที่หลวงพ่อเคยเคยอกว่าเป็นสัญติที่แรกมันผุดขึ้นมาใช่ไหมเป็นแต่สภาวะที่จิตไปรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนะพอมาสัญญามันทํางานก็ไปแปลใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือสัญติขาดไหมคะใช่เพราะว่ากําลังสมาธิที่ทำจิตที่รู้อันหนึ่งนะจิตที่มีสัญญาเข้าไปแปลตีความนี่อันหนึ่ง เดี๋ยวถัดไปก็มีจิตที่ให้ค่าว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยต่อไปก็มีจิตเสวยอารมณ์ขึ้นมาค่ะมันเป็นเป็นดวงดวงไปถ้าถ้าทําสมาธิให้ตลอดมันจะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆไหมถ้ามีกําลังพอนะจะเห็นแต่ทําสมาธิต้องสมาธิรู้สึกตัวถ้าทําสมาธิเคลิ้มเคิ้มจะไม่เห็นเลยค่ะหรือพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มไหมคะต้องให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนนะจิตฟง้งซ่านไปค่ะ งันทุกวันต้องทําในรูปแบบจะพุทโธจะหายใจก็ทําไปนะอย่ทิ้งกลับนามัสการหลวงพ่อครับคือครั้งก่อนเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นยังติดเพลงอยู่ครับคืออยากเรียนถามว่าตอนนี้ยังติดเพลงอยู่ไหมครับหนักหนักไหมหรือเบาลงก็เบาลงจากครั้งที่แล้วเบาลงก็เบาก็เบาก็เพลงน้อยลงสิครับะเนี่ยมันเป็นการวัดด้วยตัวของเราเองนะวัดง่าย ถ้าเพ่งอยู่ใจก็แข็งแข็งทื่ อ, อหๆหนักๆแน่นๆนะถ้าไม่เพ่งใจก็นุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวะตอนเนี้เพ่งไม่เพ่งขนาดนะี้ยตอนนี้หลงครับผมือ hmm? ตอนนี้หลงฟังหลวงพ่อครับเออหลงเนี่ยดีรู้ไปแล้วยังต้องพัฒนาทางด้านอื่นไหมครับมีสตินะรู้ทันสภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นนะเห็นสภาวะทั้งหลายเหมือนเราเห็นคนอื่นเราอย่าเข้าไปแทรกแซงเขา อยี่าเป็นโมโหมันที่โมโหไหมก็โมโหครับแต่ว่าไม่ไม่แสดงถึงออกมาทา ง, งแสดงไม่แสดงไม่สำคัญโมโหเรารู้อ่ครับผมครับผม <ละ S 1> ับพอพอนมสัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมาสี่เดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปส่วนสรนิธรรมด้วยเอ็มพีสามก็ฟังน้อยปรากฏว่าจิบก็ไม่มีกำลังเลยก็ไปหลงค่ะส่งน้าหน้าตัวเองค่ะทาแล้วค่ะ <c oughs> จริงๆวันนี้อยากให้หลวงพ่อด่าด้วยเหรอไม่ได้หรอกด่าแล้วผิดศีลด่าที่ก็เมตตาค่ะคือว่าคือมาวันนี้จิตมีกําลังมากขึ้นก็เห็นสภาวะ ม, มากขึ้นก็เลยทบทวน <c oughs> <c oughs> ทบทวนแล้วก็ได้ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากกําลังมันตกเพราะฉะนั้นก็เลยไปหลงไปหลงคิดคือแล้วก็ยังติดข้ามครวนอยู่เยอะมากอืเก็บกดด้วย พอเวลาที่เราจะข้ามโคลนก็คือมันเหมือนกับว่าสาเหตุที่เราข้ามโคลนเพราะเราเก็บกดไว้แล้วมันระเบิดออกมาระเบิดออกไม่รู้กี่ครั้งก็เลยเห็นความทุกข์เยอะว่านีเซลล์มันจัดมากอืมันรักตัวเองมากอะค่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีทีนี้วันนี้มาก็ดีใจที่ติดมีกําลังมากขึ้นแล้วก็จะสัญญากับตัวเองว่าจะไป ส, สนิทธรรมมากขึ้นค่ะ การเจริญสติให้เยอะขึ้นฝึกในรูปแบบทุกวันนไปส่วนสันที่ <c oughs> ทําเปล่าไม่สําคัญเท่าไหร่ครอกทีนี้ฝึกในรูปแบบเนี่ยอืมมันอาจจะมีจิตที่ต่อต้านอยู่ตัวหนึ่งอะค่ะคือเวลาจะเดินตงกลมเนี่ยตัวเองจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนกับวัดมันตั้งใจเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปเชื่อกิเลสว่าเออถ้างั้นก็เดินตามสบายก็ได้อืมันก็เป๋ไปเป๋มาอย่างเงี้ยแต่ว่า <c oughs> เบื้องตนมันก็ต้องจงใจไว้ก่อน ค่ะนะถ้าฝึกไปเรื่อยตาแปมเป็นอัตโนมัติไม่ต้องจงใจแต่เบื้องต้นจะเอาพอดีประดิมจะหย่อนไปคือคือตัวเองหาความพอดีไม่ค่อยเป็นมันจะเหวี่ยงซ้ายเวี่ยงกว่าอยู่เรื่อยแม้กระทั่งการพูดอืการพูดก็เหมือนกันก็จะฟุ้งเก่งอืะไรคะลราไม่พูดดีกว่าเราเราคุ้นน้อยๆนะเราเรารู้จุดอ่อนตัวเองไงถ้าเราพูดเราฟูแล้วก็รู้สึกตัวเยอะๆทําในรูปแบบไป เดินเมื่อยเราก็ขยับมือเอาหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะหรือตอนบวชตอนหัดภาวนาช่วงพรรษาแรกๆหลวงพมีพัดนะต้องพัดหน้าร้อนเนี่ยเราก็พัดแต่ก็รู้สึกหน้าหนาวเราพัดอย่างนี้เราพัดอย่างนี้จะตายเลยเคลื่อนไหวเรารู้สึกเคลื่อนไหวแเรารู้สึกนะดีกว่าให้มันฟุ้งไปเรื่อยๆกลับมามาสการค่ะก็จะขอคําแนะนํำมาค่ะ จะแนะนำอะไรละ่ะถ้าเราไม่ดูจิตคือเหมือนกับเรารู้ว่าจิตเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดดับอยู่แล้วมไม่ดูคือเหมือนไม่ดูไม่ได้ไม่ดูได้ไห้ยังไงมันก็ต้องดับเป็นอย่างนี้ไอ้ไม่ได้ไอ้นั้นมันเห็นด้วยการคิดเอามันรู้ด้วยการคิดเอาไม่ใช่เห็นของจริงจะไม่ดูจิตก็ได้แต่ต้องรู้ทันกายนะต้องเอาสักอันหนึ่งจะเอากายหรือเอาจิตเื้องต้นอะ แต่ว่าพอชำ น, นี้ชำ น, นาญ น, นะมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแหละเราควรจะดูอะไรก่อนนะคะดูความสงสัยเนี่ย ใ, ใจกำลังสงสัยใช่ไหมเนี่ยเราสงสัยไม่เอาไงดีนะมันคับห้องใจมันอึดอัดใจนะเราก็รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปใครรู้ทันความรู้สึกตัวเองบ่อยๆก็ลับกันอย่าไปเรียกคำว่าดูจิตเลยฟังแล้วน่ากลัวไม่รู้ว่าดูอะไร แล้วแค่ว่ารู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆอนะแล้วต่อไปร่างกายเกร็งขึ้นมาเราก็รู้ร่างกายเป็นยังไงเราก็รู้ดูทั้งกายดูทั้งใจแล้วคุณค่ะกาบนมัตรการครับครั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นจริงผมก็กลับไปปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็เดินจงกรมมันละสี่สิบห้านาทีช่วงแรกๆเนี่ยมันเพ่งเยอะอืม แต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมเพ่งน้อยลงแล้วแล้วผมควรจะต้องปฏิบัติไงต่อครับทำอย่างนี้แหละทำดีแล้วนี่ครับแล้วก็ดูกายทำงานดูใจทำงานไปนะครับเดินก็เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่งก็นั่งอย่างรู้สึกตัวจะนอนก็นอนรู้สึกไปเวลาเรารู้สึกเราจะเห็นว่ากายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจขันมันแยกแล้วก็ก็ดูมันไปครับผม แ, แยกมัแยกไหมดูออกไหมออกครับนะขันมันแยกแล้วเราก็ดูมันไปพอนานได้ดีอยู่ ขอบคุณครับแล้วบางบางครั้งเนี่ยกิจมันมันห่อเหี่ยวหรือมันทึมๆอย่างเงี้ยผมจะทําไงที่จะกระตุ้นมันที่ผมเคยฟังซีดีหลวงพ่อบอกให้กระตุ้นมันหน่อยผมก็พยายามหาวิธีที่จะกระตุ้นมันนะบางทีมันก็มันแล้วแต่สภาวะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างของคุณเนี่ยมันห่อเหี่ยวก็ห่อเหี่ยวไม่มากแค่รู้ทันว่าห่อเหี่ยวมันก็หายได้แล้รู้อย่างเป็นกลางมันก็หายแล้ะ แต่ถ้ามันซึมนานๆอย่างนั้ น, น, นก็ต้องหาอะไรมากระตุน้นอย่างไปวัดบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างอะไรเนี่ยกระตุน้นหาที่ภาวนาบ้างทำให้ใจมันตื่นตัวขึ้นครับขอบคุณครับปัญหาไม่มากหรอกรู้สึกไหมชีวิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเออเนะ่ะเป็นชาวพูดนะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละไม่ปล่อยชีวิตล่อง ล, อ, ง ล, อ, งลอยๆขาดตุนเนะนึกออกไหม พ <c oughs> อรู้ตัวเปลี่ยนึ้นมาเพิ่งเพิ่งมารู้ว่าขาดทุนไปเมื่อมาฟังซีดีหลวงพ่อครับแต่ตอนนี้ไม่ขาดทุนแล้วครับผมดีขอบคุณครับต่ อ, อนานต้องอย่างนั้นสิอารนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะขอให้หลวงพ่อบอกว่าวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดกับหนูนนี่คืออะไรแต่ที่หลวงพ่อสอนวันนี้หนูสามารถนําไปปฏิบัติตลอดอชีวิตได้ใช่ไหมคะได้ได้ คือเวลาหายใจเข้าให้ให้เป็นพุธหายใจออกโทถ้าทําเต็มลุกแบบคือนั่งเวลานั่งสมาธิให้ให้มองแสงสว่างตรงตรงนี้ใช่ไหมคะเออจะได้ไม่หลับครับแต่นั้นเป็นสมถะนะค่ะเออพอใจเรามีเรื่องมีแรงแล้วอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกเลยเห็นร่างกายพนมมือเห็นร่างกายพยักหน้าเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆ ะ, อะถึงวันนึงมันก็ถอนความเห็นจิตว่ามันเป็นตัวเราไปค่ะ ขอบคุณค่ะเล่นแสงสว่างต้องระวังนิดนะอย่าตามแสงออกไปนะตามแสงออกไปไปดูเทวดาไปดูสัตว์นรกดูลมไปได้นะอย่าเพอย่าตามมันไปนะตามไปเดี๋ยวมันไม่กลับบ้านนวัส ก, การหลวงพ่อครับเคยส่งการบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติทางนั้นถูกแล้วแล้วผมก็ปฏิบัติใน เดินจงกลมนั่งสมาธิแล้วก็ตามดูลมหายใจดูกายดูจิตครับแล้วอยากถามหลวงพ่อว่าควรปฏิบัติตรงไหนเพิ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมล่ะเห็นครับก็ดีแล้วล่ะทําอย่างที่ทําั่นแหละครับใช้ได้แล้วรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปแล้วรู้สึกครับนะรู้สึกไหมใจมันโปร่งล่งเบาขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกครับ เห็นไหมว่าใจมันไปยึดถืออะไรน้อยลงน้อยลงรู้สึกครับนี่แหละไปรู้สึกต่อไปนั่นคือการดูจิตใช่ไหมครับนี่แหละคือการปฏิบัติคือวิปัสสนาหรือเปล่าใช่เห็นไหมไม่มีเราร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นะมันก็สักแต่ว่าร่างกายเห็นไหมความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็สักแต่ความรู้สึกกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็สักแต่กุศลอกุศลมีเหตุก็เกิดไปหมดเหตุก็หายไป ควบคุมบังคับไม่ได้ครับจิต ท, ที่เป็นคนรู้บ้างหลงไปคิดบ้างนะนะเกิดดับเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นผู้รู้นิรันดร์เพราะบางครั้งก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเออเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงดีกว่า ร, รู้ตลอดนะครับเอนะรู้ตลอดมนะันไม่ใช่ปูมของเราแล้วฐานที่เหมาะกับผมคืออะไรครับที่ทําอยู่นะดีแล้วนะครับทําอยู่นะนั่นแหละถูกแล้วล่ะครับสาธุครับ การหลวงพ่อคะ่ะเพิ่งพบหลวงพ่อเปนครั้งแรกแต่ฟังจากเ p ็มพีสามมาไล่แผ่น hmm. ตัวเองเป็นคนติดสุกมากขี้เกียจ hmm. ติดสุกกับขี้เกียจไม่เหมือนกันนะมันมันคือฟังอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหรค่ค่ะจะได้กับอ่านมากกว่า hmm. Hmm. ก็อ่านไปปฏิบัติไปต้ อ, องอ่านเนี่ยนั้นอ่านหนังสือแล้วอ่านใจตัวเองค่ะนะแบบเดิมนี้นะคะหลวงพ่อ อ๋อเงี้ยก็เอาลูกค่ะคำจีนแออาหารยังรู้สึกตัวนะอยู่ในชีวิตธรรมดาเงี้ยรู้สึกเรื่อยๆใจหนีไปคิดแล้วรู้ไวๆนะรู้บ่อยๆใจมันจะตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นโลกค่อยๆแยกออกไปนะเหมือนในหนุ่มข้างๆเนี้ยโลคมันค่อยแยกออกไปขอบคุณการหลวงพ่อในชีวิตมันจะมีความสุขนะแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกเอาความสุขหอก เราฝึกได้เห็นความจรงิงของรูปของนามของธาตุขงขันล้ว น, นแต่เป็นของไม่ดีเป็นทุกข์ใจมันเห็นแใจมันค่อยคลายออกใครออกมันไม่ยึดมันก็พ้นไปน้าเชิญนมรรการหลวงพ่อครับปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมไม่ได้ดูจิตจริงมาปีนี้ผมเข้าใจว่าผมดูได้แล้วนี่ทราบผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับหลวงพ่อว่าถูกนะ <laughs> ดีแล้วนี่นะรู้สึกไหมชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนครับก็รู้สึกเนะรู้สึกคือไม่แน่ใจว่าคิดเองหรือเปล่าโลกมันห่างออกไปนะครับใจมันก็โปร่งโล่งเบาขึ้นมันไม่ไปหยิบไปเวยขึ้นมาครับนะแล้วเรียนรู้มันไปเรื่อยๆครับก็ทาเก่งๆหลายคนนะรอบนี้นักรการครับนี่ไม่ดื้อนะบางคนบอกให้ทํากรรมฐานมันดื้อพัฒนายากบางคนนี่ไม่ดื้อดี หมดแล้วเนาะรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไว้แล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานเหมือนดูคนอื่นแต่จุดสำคัญที่สุดเลยเราอย่าละเลยต้องถือศีลห้าถ้าศีลลางพร้อยใจจะฟุ้งสร้นคนไม่มีศีลใจจะฟุง้งอย่างคนคิดจะฆ่าเขาใจจะฟุง้งคนไม่ไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครมีความเมตตาใจสงบคนโลภจะไปรักไปขโมยเขาก็ฟุ้งส้น เ, เพื่อปิดในกรมก็ฟุ้งซ่านโกหกก็ฟุ้งซ่านมื่อเรารักษาศีลนะันจะเป็นพื้นฐานทําให้เราฝึกจิตให้สงบได้ง่ายจิตสงบแล้วก็คอยดูคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาะพอจิตเป็นผู้รู้แล้วดูกายทํางานดูใจทํางานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆปัญญาจะเกิดจะเห็นวนะ่าไม่มีเราตรงไหนเลยทั้งโลกก็ไม่เป็นเรานะตัวในขันห่านี้ก็ไม่มีเราดูไปเรื่อย ใจยอมรับเมื่อไหร่ก็ได้ธรรมะเมื่อ น, นั้นแหละง่ายนะง่ายไหมพูดก็ง่ายฟังก็ง่ายทำยากหน่อย <c oughs> แต่ต้องทำนะไม่ยากเกิดฝีมือมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้หรอกธรรมะที่พระเจ้าสอนนะพอดีพอ ด, พอดีสำหรับมนุษย์นะพอดีเรามีบุญที่เราได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นรมมีความสุขมากประมาทง่าย โยเวนท่านที่ท่านมีอุปนิสัยมา ก, ก่อนเคยภาวนามา ก, ก่อนเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังมาภาวนาต่อแต่คนทั่วๆไปเนี่ยมีความสุขแล้วเผลอเฟื่อนนะในสัตว์ในอบายก็ภาวนายากเนี่ยใสัตว์เดรัจฉานโมหามากหลงทั้งวันเลยภาวนาไม่ได้ไม่รู้กายรู้ใจสัตว์นรกก็ทุกข์ทั้งวันไม่รู้กายรู้ใจจมไปในความทุกข์เวลามีความทุกข์มากแสนสาหัสรู้กายรู้ใจไม่ไหว โลภมากก็รู้กายรู้ใจไม่ไหวเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นคนไหนเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นนะัเรื่องอสุรกายยึดถือในทิฏฐิมานะมากในอสุรกายที่นี้ก็ภาวนายากนะงั้นเราเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบุญที่สุดแล้วสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานดีก็ไม่นานร้ายก็ไม่นานนะมันจะเห็นใจรักได้ง่ายเห็นเปลี่ยนแปลงง่ายงัย้นเรามีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าเสียโอกาส ได้ฟังธรรมแล้วเป็นมนุษย์แล้วได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมให้สมควรก่ทํามแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนหลวงพ่อมีพยานบุคคลนึงนับจำนวนไม่ถูกแล้วนะที่ชีวิตจิตใจเปลี่ยนอย่าคน้นก็เปลี่ยนคนนี้ก็เปลี่ยนมีตั้งหลายคนที่ส่งกันบ้านเมื่อกี้นี้เขาเปลี่ยนไปจากเดิมเขารู้ด้วยตัวของเขาเองคนแวดล้อมคนในครอบครัวเขาก็รู้สึกในบ้านที่ร่มเย็นขึ้น ในที่ทำงานอาจจะร่มเย็นขึ้นกลุ่มเล็กๆกันฝึกเอานะไม่ทำไม่ได้หรอกฟังซีดีอย่างเดียวไม่ได้นะต้องปฏิบัติการเป็นเชิญท่านผู้ช่วยพู้ว่าการก่อสร้างรถไฟ้าพลังความร้อนคุณสมิทธ์วงแสงจันทร์ครับเป็นตัวแทนพวกเราถวายเครื่องไทยธรรมครับถวายจีวรครับครับขอให้พวกเราน้อมใจถวาย จะตัวปัจจัยที่พวกเราเตรียมเอาไว้รวมทั้งปัจจัยภายนอกด้วยนะครับโดยสงใจตามท่านผู้ช่วยผูาการครับเอาับพร่อนยนะเป็นวิธีที่พระจะนีกับวัดนะเหยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุ สัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโอวิวัตจันตุสัพโรคโควินาสตตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอาภิวาธนสีลิสนิจังอุทาปจจายิโนจตตาโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังภะลัง